ได้เวลามาเดินตาม้อยเบื้องยุคนบาทแห่งองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระทัยศาสตร์บริสุทธิ์หมดจดแล้วขอให้เราเนี่ยได้เดินตามทาง ของผู้ที่มีพระไทศาสะอ์บริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงขอให้เราได้อาศัยกายอาศัยจิตที่มีอยู่นี้ให้จิตเนี่ยได้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์การเดินตามพระพุทธเจ้าต้องเดินด้วยจิตต้องอาศัยการฝึกจิต เบื้องต้นเราก็ต้องสัรวมสติสก่อนเนี่ยสรัรวมรวบรวมกำลังใจจะพูดอย่างนี้ก็ได้หรือตั้งคอสังเกตดูกายเราจิตเราขณะเนี้ยกายเราจิตเราอยู่ยังไงมันนั่งอยู่ยังไงในท่าที่สบายไหมผ่อนคลายไหมจิตมีอะไรที่ขังคาอยู่ในจิตใจมีไหมมันยังมีเรื่องอะไร ที่จิตเนี่ยยังพอใจเก็บเอามานึกคิดปรุงแต่งมีไหมนี่ยเราเรารวบรว ม, ลวมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาถ้ามันมีก็ต้องสอนต้องบอกกันวันนี้จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในวัดด้วยมาอยู่ต่อนหน้าพระสงฆ์ข้าเจ้ามาอยู่ มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกับเมชีร่วมกับอุบาศกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายหน้าที่ของจิตเดียเ๋ยวนี้ต้องปล่อยวางเรื่องราวต่างๆาหมายว่าคิดไปก็ไม่มีประโยชน์เสียเวลามันจะผ่านอะไรมาก็ช่างก็เป็นธรรมดาคนเราเมื่อมีชีวิตก็ต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆ เรื่อยมาจนปัจจุบันนี้จนมานั่งอยู่ที่นี่เรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดถือว่าเป็นอดีตทั้งหมดเลยผ่านมาหมดแล้วนี่อดีตมันผ่านมาหมดเลยแล้วพระพุทธพระพุทธเจ้าพูดถึงอดีตว่ายังไงอตีตังนานวาเข้าเมือยะอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว พระองค์ก็พูดถึงอนาคตด้วยอตีตังนานวาขโมยะนับปฏิกังชีอนาคตังอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันก็คือให้รู้ตัวนั่นเองว่าขณะเนี้ยกายเราจิตเรามันอยู่ยังไงในขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้อดีตมันผ่านไปแล้ว ถ้าจะคิดถึงมันต้องคิดเพื่อจะเอามาเป็นบทเรียนได้ก็คือตั้งสติดีๆแล้วก็คิดให้จบเลยให้มีคำตอบว่าเรื่องนี้เราจะวางใจยังไงหรือมีสติรู้เวลาจิตเรามันจะขายับตัวหรือมันจะคิดเอาเรื่องอดีตเข้ามาเรื่องคนนั้นคนนี้เอพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ เหตุการณ์ตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวกับคนบ้างสัตว์บ้างสิ่งของเรื่องหน้าที่การงานเหตุการณ์ต่างๆเีตยต้องสอนจิตยูนะเพราะจิตมันเร็วนะห้ามก็ไม่ได้เราไม่มีหน้าที่จะไปห้ามจิตเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาต้องนึกคิดปรุงแต่งไปเป็นธรรมดาเนี่ยพอเราทำความเข้าใจอย่างนี้มันก็สบายขึ้น พรพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะเกี่ยวข้องกับในอดีตอนาคตเนี่ยก็คืออดีตเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้แล้วท่านว่ามันจะเวลวไล่ขนาดไหนมันก็เป็นอดีตเหมือนก็ผ่านมาได้แล้วมันจะดีงามขนาดไหนหน้าหลงไหลหน้ายินดีหน้าเพลิดเพลินขนาดไหนก็เป็นแค่อดีตสําคัญตรงว่าปัจจุบัน ก็คือว่ามีสติเข้ามารักษาจิตของเราให้อยู่กับตัวเราเพราะถ้ามันไหลไปกับอดีตจิตก็ไม่อยู่กับปัจจุบันถ้ามันไปกับอนาคตก็สิ่งเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพรบางทีมันปรุงแต่งในะเรื่องอนาคตเนี่ยนะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่เวลาถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะทําให้เสียเวลาเปล่าๆ สู้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าสติของเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้จิตใจก็อยู่กับตัวเราได้พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติก็คือสอนให้สร้างเหตุก็คือสอนให้เจริญสติให้มีสติสติตัวนี้ที่แรกมันก็ยังอ่อนอยังน้อยถ้าว่าเราใครที่ปฏิบัติ น้อยหยหรือเริ่มปฏิบัติสติก็อย่างน้อยมันก็จิตมันก็จะเร็วมันก็จะเผลอบ่อยเพราะพอเวลาจิตมันคิดไปสติตามไม่ทันก็คือใจลอยใจเผลอไปแต่พอรู้ตัวเราก็เอาใหม่รวบรวมกำลังสติให้รู้เท่าทันจิตต่อไปอีกในขั้นนี้ก็เป็นขั้นเบื้องต้นทุกคนก็ต้องผ่านขั้นนี้ทั้งนั้น ก็คือพยายามมีสติพยายามที่จะให้มีสติเข้าไปควบคุมจิตใจรักษาจิตใจให้จิตใจอยู่ในอำนาจของสติคอยกั้นไม่ให้จิตใจไห ล, ไ ป, หลไปทางนั้นไหลไปทางนี้คิดนึกปุงแต่งไปทางนู้นทางนี้หรือว่ากั้นไม่ให้เรื่องราวต่างๆเข้ามาหาจิตนี่ให้ให้ให้สร้างเหตุตรงนี้ท่านาส่วนผลเป็นไงแล้วแต่สภาวธรรม ยึกถึงตัวเองนะตอนที่ปฏิบัติตอนเป็นคารวาสอยากเวลาไปปฏิบัติเวลาเราก็น้อยเราก็ทุ่มเทนะไอ้ความตั้งใจปฏิบัติเนี่ยความจริงจังภายในจิตเนี่ยมันก็มีความอยากแฝงอยู่ลึกๆตัวที่เราควบคุมไม่ได้ไม่รู้ตัวด้วยมันก็มีความอยากแทนที่ใจจะสงบมันก็ไม่สงบนะแต่สติมันก็มีอยู่ มันก็มีสภาวะนู่นสภาวะนี้ปีบคันเนี่ยการวางจิตไม่ถูกนี่แหละมันทำให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติถ้าเรารู้นนะเข้าใจวิธีของมูเตจามันง่ายเลยนะพระเจ้าว้ให้พอใจสร้างเหตุส่วนผลแล้วแต่สภาวะธรรมสงบไม่สงบก็ให้รู้แค่นั้นเองมันคิดไปก็รู้มันเผลอไปก็รู้ถ้ามันเผลอไปแล้วไปโกรธตัวเอง ไปตำหนิตัวเองลงโทษตัวเองเสียเวลาแล้วก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เป็นกลางด้วยจิตใจก็ไม่สงบนี่ตัวเองก็เคยมีความอยากแบบนี้เร่งปฏิบัติแล้วก็จะให้ผลเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้แต่อยากให้ผลเป็นอย่างที่เราต้องการกรอย่างบังคับผลนี่บังคับจิตให้สงบกลายเป็นอัตตากิตเลยมาฐานโยกไปเลย มันขับเอกมันก็เป็นอัตตามันไม่เป็นอนาัตตาคือพอวางท่าทีในใจผิดเนะ่ะมันทำให้สภาวธรรมมันก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายเห็นนั่นเห็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าวางใจสบายๆเออเราพอใจสร้างเหตุนะพอใจที่ได้ปฏิบัตินะสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเผอไปก็แล้วไปทั้งไม่ ส่วนเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรมคอยสังเกตดูอย่างเดียวเลยว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงพอวางใจถูกกสบายเลยบางทีมันนึกนะอีคนนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นนั่นเห็นนี่หรือเขาได้ธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้จิตเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คือมันคิดไปแล้วเรื่องของคนอื่นนะเป็นเรื่องของเขา หนึ่งของเราเนี่ยเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงดูลงไปเดี๋ยวนี้อยู่กับปัจจุบนันหรือเราเคยปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็หวังจะให้มันเป็นอย่างเดิมอย่างเก่าก็ไม่ถูกอีกเพราะไม่อยู่กับปัจจุบนันแล้วแต่สภาวธรรมยืนยันอยู่อย่างนี้แล้วหลักมันก็เป็นอย่างนี้ด้วย ก็ตรงกับหลักของพระพุทธเจ้านั่นแหละอาตาปีสัมปชานุสติมาวิเนียโลเกอภิชาโทมานัสสังให้มีความเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนคือจิตมันอยากไปก็ให้รู้ทันมันเสียไม่ทําตามมันมันอยากคิดเราไม่คิดเนี่ยก็คือรู้ทันแล้วมันก็ดับมันอยุ่คิดของมันเองบางทีมันอยากเอาเนี่ยมันมันเอาในจิตก่อนนะมันจะปรุงแต่งขึ้นในจิตนะ อยามันอยากได้ของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะปรุงแต่งเหตุผลที่จะเอาอ่ะมันก็จะายกเหตุยกผลขึ้นมาก่อนนะเอาแล้วมันดีอย่างนี้อย่างนั้นใช้เป็นผลดีสะดวกสบายนี่เนี่ ย, ยมั น, ม, นมันปรุงแต่งมันว่าขึ้นมาพณะนั้นความอยากความต้องการก็เพิ่มกำลังขึ้นในจิตความกลัวจะไม่ได้ก็เข้ามาอกีก ความกังวลใจจะไม่ได้ก็มาอีกคิดหาวิธีการที่จะให้ได้มานี่ๆี่มันปรุงแต่งไปแบบเนี้ยถ้าเราขาดสติหรือสติเราไม่ไม่ต่อเนื่องมันจะไม่ทันอาการของจิตแต่ถ้าหาว่าเราจเจริญสติไปมันจะทันพวกเนี้ยพอมันจะคิดเราก็รู้มันคิดเนี่ยหรือว่าถ้าจิตสติมีกำลังความมันก็อยู่คิด ขึนอยู่กับสติอันนี้บางทีก็หยุดเร็วบางทีก็หยุดช้าถ้าสติต่อเนื่องมันมีกําลังขึ้นมามันก็จะควบคุมของมันเองได้บางคนเผลอไปสักพักมันก็จะรู้เองนะสตินี่พับคิดไปทั้งนานแล น, ะนี่นี่คือมันจิตเนี่ยสตินี่มันเริ่มมีกําลังแล้วมันทําหน้าที่ของตัวสติเพื่อระลึกรู้ได้เองเขาจึงเรียกว่าสตินี หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในการระลึกรู้คือตัวสติพอสติมีกําลังแล้วมันจะเริ่มเริ่มทํางานเองได้เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยก็จะลําบากหน่อยเหมือนกับว่าโอ้เราต้องมาบังคับนะเราต้องมาเคี่ยวเห็นนะเราต้องมาฝืนหน่อยนะเนี่ยนี่แหละจึงบอวาอาตาปีมันต้องมาเพียนเผากิเลสให้เราร้อนสัมปชานุสติมามีสติสัมปชัญญะอย่างสติก็ระลึกรู้ สัมปัญญาก็คือตัวปัญญาชนิดหนึ่งเป็นปัญญาเบื้องต้นที่เรารู้เพิ่มเติมขึ้นมาสติและลึกรู้อย่างเดียวแต่มันไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีปัญญาแต่ตัวปัญญาที่ตามมาเนี่ยเขาเรียกสัมปชัญญาในคณะปฏิบัติมีสติต่อมาก็มีสัมปชัญญาด้วยแล้วก็ให้ละความยินดียินรายในโลกนี้เสียให้ได้ก็ต้องมีหลักไว้ก่อนนะ บางทีไอ้จิตของเรามันก็อดไม่ได้บางทีมันเผลอพับไปมันไปนึกถึงไอ้เรื่องที่เขาเคยว่าเราขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันไปมันมันไปมันจะไปอย่างนี้มันไปสะดุดกลับเข้ามาพับรู้สึกแฝบคือในจิตเลยนะมันไม่สบายคือในจิตคือมันไปกระทบอารมณ์แล้วไอ้จิตเนี่ยมันไปเอาอารมณ์เข้ามากระทบกับจิตตัวเอง เขาเรียกทำมันลมในมันกระทบจิตปั๊บขึ้นมาแล้วลเกิดอาการกรกขึ้นที่จริงนิดเดียวนะถ้าไม่ทันตรงนี้นะมันจะรู้สึกเอ๊เหมือนไม่สบายใจนั่นน่ะมันเริ่มหาเหตุแล้วนะจิตเราเนี่ยเอ๊รู้สึกไม่สบายใจไม่เรื่องอะไรอยู่เปล่าคือเราไม่ทันไงสติไม่ทันจิตถ้าคนที่ทันเนี่ยรู้เลยนะไอ้จิตแฟ๊ไปเนี่ยอ้อนไปเอาเรื่องนี้สะดุดแป๊บอ้อน มันบูบบบเข้ามาที่กายได้ด้วยนะเนี่ยมันเหมือนมีพลังงานนะแป๊บไปเรื่องเรื่องไม่สบายใจมันวุบเข้ามามีอาการที่จิตแล้วก็มีอาการที่ร่างกายเลยถ้าทันมันก็เฉยๆนี่เป็นวิบากผลของกรรมที่เราเคยทํามามันให้ผลถึงทํำไมทันดินี้ก็ดวนเวียนแล้วดินีนะ้เริ่มปรุงแต่งขึ้นมานี่ละสร้างกรรมใหม่ละ ที่มันเนี่ยเป็นชาติเนี่ยที่มันจะให้เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วมั น, นมีน้ำหนักในจิตแลก็ปรุงแต่งขึ้นในจิตจากนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นความทุกข์ถ้าถามว่าทุกข์มาจากไหนทีนี่ก็มาจากจิตของเราที่สติเนี่ยมันควบคุมไม่ทนันทำให้ปัญญายาณของเราเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงตัวที่มันก่อเกิดเป็นทุกข์ไม่ทันมัน ถ้าทาันเนี่ยเห็นนะเห็นหน้าตามันหมดเลยนะมันเร็วมันเร็วแวบบปุบเข้ามาในจิตเนี่ยมีน้ำหนักทันทีเลยคำว่าวอุปาทานเนี่ยนี่แหละมันเป็นเกาะเกี่ยวแล้วก็มามีน้ำหนักในจิตเป็นภพเพ้ามาภพเนี่ยปรุงแต่งขึ้นในจิตวนเวียนอยู่ในนิชชาตินะก่อนที่มันจะดับมันต้องมีโศกะปริเทวาทุกขโทมมานัสสอุปาญาสะนะ ทุกท้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยสายแห่งทุกอยู่ในนี้ในจิตของทุกคนเลยนะบางคนบอกดิฉันไม่มีทุกอะไรเลยอย่เงนินนะคืออยู่ก็สบายดีอ่ะคือเขามาเห็นความสุขเนี่ยมันมีความสุขบางขณะก็มามามาเห็นว่าว่ า, าวัตถุเพียบพร้อมก็ดูว่าตัวเองมีความสุขแต่ถ้ามองลึกเข้าไปในจิตจะบอกว่าไม่มีทุกเป็นไปไม่ได้ต อ, อนพร้อมจะเกิดทุก ถ้าสติเราไม่ทันการทำงานของจิตเพราะฉะนั้นีทางของมูร์เจ้าจึงต้องมีสติสกก่อนอันดับหนึ่งเลยทุกคนถ้าจะมาปฏิบัติตามคำสอนของมูร์เจ้าต้องมีสติแล้วก็สติก็ต้องพยายามควบคุมจิตไว้ก่อนให้จิตอยู่ให้จิตอยู่แต่ธรรมชาติของจิตต้องลึกคิดไปนี่ก็ต้องรู้ความจริงตรงนี้ด้วยเออธรรมชาติของจิตมันเร็วนะมันต้องไปนะ มันไปก็จะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องโกรธเคืองไม่ต้องไปลงโทษตัวเองตำหนิตัวเองว่าเราเนี่ยใช้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บางคนโกรธตัวเองเลยนะบางคนนี่เลิกเลยผมคงไม่มีบุญหรอกครับปฏิบัติแล้วไม่สงบครับมันเป็นยังไงมันคิดครับไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มันคิด มันก็ต้องคิดก่อนสิมันก็แสดงธรรมชาติของมันแต่คนไม่คิดแสดงว่าตายคือคนตายทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องคิดเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ต้องนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์แล้วมันเร็วด้วยความเป็นจริงมันเร็วนอกจากมันจะคิดแล้วคิดเร็วด้วยแค่รัดมือเดียวเนี่ยโอ้ยเป็นแสนโกรขณะดอย่างนี้เลยนะ รับนี่มีเดียวกคดจิดนี่มตักเดียวเนี่ยแสนโกรธขณะเนี่ยจิตเนี่ยมันเล็วอย่างนั้นแล้วสติของเรานี่เพิ่งจะมาปฏิบัติอ่ะเราจะให้ทันแสนโกรธขณะตั๊กเดียวมันไม่ทานมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทานอย่างน้อยถ้าว่าเราฝึกต่อเนื่องมันก็ดีขึ้นก็เคยมีคนถามนะแล้วจําเป็นต้องไปวัดไหม่เวลาปฏิบัติธรรม ตอบได้เลยสมัยพระพุทธเจ้าพค์ออก็สอนคนที่อยู่ในบ้านในเรือนหรือผู้ที่จะเข้าวัดก็มีผู้ที่มีเวลามากพระ ส, สงอย่างเนี้ยพิสุสัมมณีก็อสอนถ้าเป็นญาติโยมอยู่กับบ้านกับเรือนท่านก็สอนให้มีสติทุกการกระทำคือพูดรวกลน้นเลยนะทุกกิจกรรมให้สติครอบคลุมทุกกิจกรรมเอาอย่างนี้เลยถ้าทาได้ เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็คือให้รู้ตัวตลอดถือเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าจะพูดละเอียดต่อไปก็มีสติทุกขิยาบทเดี๋ยวใช้เลี้วขวาเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินพูดคิดมีสติสัมปชัญญะเนี่ยแล้วก็ระวังด้วยระมัดระวังเวลามันส่วนเราจะเข้าไปในเหตุการ์บางเหตุการ์นี่นะหรือเข้าไปหากับบางคนเนี่ยแหมมัน มันเคยมีกรรมต่อกันบ้างหรือมันมันมีอะไรที่มันอยู่ในจิตเนี่ยของตัวเองนั่นแหละอิจฉากันบ้างกลัวเขาดีกว่าเราบ้างยึกยักอยู่ในนั้นเนี่ยต้องคอยระวังเดี๋ยวถ้าควบคุมไม่ทันเดี๋ยวมันจะออกอาการต้องเอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราเรจะไปหาคนเนี้ยเออแผ่เมตตาไปก่อนอุทิศบุญไปก่อน ทา ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มันอาศัยหลักธรรมของพระเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านสอนให้มีเมตตากรุณามุญทิตาอุเบกขาต่อกันหรือว่ามีความเอื้อเฟื้อกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเป้าหมายเพื่อแก้จิตเราเนี่ยเอาอย่างนี้เลยไม่ใช่ทาเพื่อเขานะทำเพื่อตัวเราทั้งนั้น บางคนโกรธคนอื่นเนี่ยบอกว่าอุ้ยให้อภัยสิโอโหศีก ร, รมสิทำดีกับเขาให้อภัยได้ยังไงเขาว่าผ ม, มเขาว่าฉันต้องเอาคืนเนี่ยลืดกูัวเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่เข้าใจที่ทำไม่ใช่ทำเพื่อเขาทำเพื่อตัวเราต่างหากทำเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันมีความส ง, งบมันมีความสุข มันมีความสบายไง ย, ยิงเราได้ให้อภัยให้อโหสิกรรมเนี่ยถ้าในแง่ของบุญเนเขาเรียกอภัยทานเนี่ยสูงกว่าอมิสทานอีกบทีนึกถึงแต่เรื่องทานก็นึกถึงแต่วัตถุนึกถึงแต่สิ่งของไม่นึกถึงเรื่องทานที่สูงขึ้นมามีอภัยทานด้วยให้สิ่งที่ไม่เป็นภัยให้สิ่งที่ดีงามต่กัน หรือธรรมทานให้คำแนะนำที่ดีแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือให้สิ่งที่มันจะช่วยทำให้มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมทำให้การปฏิบัติธรรมเจริญก้าว ห, หน้าเป็นธรรมทานหมดถ้าเข้าใจมันก็จะมาประกอบนะเป็นส่วนประกอบทำให้การปฏิบัติธรรมของเราง่ายขึ้นสํารวม ระวังหรือทานศีลภาวนาเอามาปฏิบตัติการให้มันก็ทําให้ใจเราอิ่มเอิบเบิกบานได้ช่วยเหลือวัดได้ช่วยทําตรงนั้นตรงนี้นีนน่ใจก็เบิกบานชําระสิ่งที่มันเคยทําให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวหมดไปใจเบิกบานใจมีความสุขสติโอโคคุมจิตได้ง่ายจิตก็อยู่นะ มีคุณค่าของการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อจิตของเราทาั้งนั้นเลยนะคือบางทีเอามันมันพอใจที่ลึกถึงความดีที่เราทําก็เป็นจารคารนุสติมีสติตามดูการบริจาคของเราการเสียสละของเราก็เป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมันมีสติรู้อยู่รู้ตัวอยู่ มันอยู่กับอาการของจิตบางทีมันก็มันก็ทบทวนดูเนี่ยการบริจาคของเราการกระทำความดีของเรามันก็ทำให้จิตเนี่ยมันมันมีความสุขความสงบได้แล้วก็เป็นปัญญาได้ด้วยมันยกขึ้นมาเออนเสียสละนีละความเห็นแก่ตัวละตัวละตนละความยึดละความติดความค้องนี่มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้หมด เพราะนั้นจเจริญสติแล้วก็หาทางทำให้สตินี้ควบคุมจิตให้อยู่กับตัวเองแล้วแต่ว่าทำยังไงมันถึงจะอยู่กับตัวเองได้ดีบางคนก็เอามันนึกถึงความตายก็ได้เนี่ยถ้าเราตายลงวันนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรเป็นแก่นสารสาระคนตายแล้วก็เอาไปเขาหมดลมหายใจหมดความรู้สึก จีก็ไปตามกรรมที่นี่มีคนตายและสองคนเคยมาตายเขาเผาไปง่ายเลยหาฟืนยกขึ้นแล้วเผาตายกอนกลางคืนทั้งสองคนเลยนะตื่นเช้ามาไปบินบาวรบอกคนมาช่วยหาฟืนเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดทุลาแล้วพร้อมแล้วเผาเผาเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกขี้เท่ากระดูกเท่าทาน เขาทำมาเอาไปไหนไปใส่โคนต้นไม้เป็นปุ๋ยเนี่ยจากคนเนี่ยเป็นปุ๋ยตัวเราก็เหมือนกันตายลงไปอ่ะร่างกายมันเป็นเราไม่ได้บางคนคิดอย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้เขาสบายจิตสงบจิตคลายวางพอนึกถึงความตายเนี่ยโอ้ไม่มีเรื่องอะไรมากมายเลยนะเนี่ยตายลงไปเรื่องอื่นๆมันก็จบไปแค่นั้นนี้ คิดไปก็เสียเวลาบอกเราลุงลังไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ถ้าตายลงไปก็คืออย่างนี้ไม่มีอะไรมาเขาก็ตายเราก็ตายไอคนที่ว่าเราเขาก็ตายไอเราเองก็ตายไม่รู้จะไปเอาเรื่องเอาเราอะไรกันมากมายมันก็เบาลงนะเนี่ยบางคนคิดอย่างนี้เราเบามีคนหนึ่ง เขาบอกเนี่ยเขาพูดโธมาตั้งสี่ปีแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรเลยอะพูทโทพูโทโธแล้วก็เวิร์งวางหายไป่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่อยู่กับตัวเองเขาเนี่ยเราก็พูดอย่างเนี้ยบอกนี่นะถ้าสุขคนตายเนี่ยสุดท้ายมันต้องสลายกลายเป็นดินถูกไหมถูกครับถ้าอย่างนั้นต้องเอาให้จิตเชื่อให้ได้ว่าร่างกายของคุณต้องเป็นดินแน่นอนเอาเลยดินดินจ้องดูกันเลย หักดิบกันเลยดินดินเอาให้มันเชื่อให้ได้จิตแต่พอดีพูดแล้วมันมีน้ําหนักเข้าไปในจิตเขาเขาเชื่อเขาปฏิบัติเลยคืนนั้นตื่นเช้ามาอญญาจารย์ครับจิตผมไม่ไปไหนเลยนวิธีไหนที่จะทําให้จิตของเราอยู่กับตัวเราเองได้เราทําได้ทั้งหมดเฉพาะร่างกายเป็นธาตุดินทีนี้เวลามันอยู่แล้วมันก็แทนที่จะมันมาม า, มาบริกรรมมันก็เฉยเสียมันก็มาดู ก็ดูมนุ่นดูนี่กายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างมันก็จะมาที่เดียวกันหัวทองพุทโธพุทโธไปอย่างที่เราอยู่ยให้เด็กคนหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมเ่ยังไม่ได้มาเยี่ยมเนี่ยเขามานั่งพุทโธพุทโธเนี่ยเขากงง่ามันเจิตไม่มีเครื่องอยู่อ่ะเขาบอกแย้มดูกระดูกได้ไหมไม่ได้จ้าดูผมได้ไหมได้จ้าเอาดูผมนะ เขาดูผมดูไปจนผู้ใหญ่เลิกเมื่อไหร่เขาก็เลิกคือเด็กก็ทำได้โพวิธีของพระพุทธเจ้ามันผู้ใหญ่ก็ทำได้ขึ้นอยู่กับความถนัดไม่ใช่คนนี้ดูผมเราจะเอาผมมันก็ไม่แน่เมือนคนเขาดูลมชอบลมก็เอาลมลมก็ส่วนหนึ่งของร่างกายเหมือนกันเราเรียกลูปประกายรูปที่มันประกอบเป็นร่างกาย ก็ดูลมก็ได้ตามลมไปตต่แรกก็ตามไปตามไปตอนแรกนี่เราก็แค่ตามดูเฉยๆตามดูบางทีมันมันก็ลมก็ละเอียดลงไปก็ตามดูกันอย่างนั้นนะบางทีมันตามไม่ทันสติอ่อนมันก็ง่วงซึมเสียคือเ่อมันมันจะสงบมันจะเข้าระวังตอนจะเข้าระวังเนี่ยสติเราอ่อนเพราะเพราะเราจเจริญสติน้อยหรือว่า คนปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีจะ ต, ต้องผ่านขั้นตอนเขาเรียกว่า น, นิวรณ์หมายว่าคนจะเข้าสู่ความสมาธิเนี่ยมันจะมีมันจะต้องมีไอ้จิตเนี่ยมันจะต้องทํางานของมันเจ้าไปเห็นอาการของจิตที่มันทํางานเป็นเพราว่าจิตนึกคิดไปจะเอานั่นเอานี่เขาเรียกว่าการมาจนทานนิวรณ์ปรุงอย่างนั้นทานนั้นทานนี้เอามางั้นอย่างนี้นี่เพอธรรมาชาติของจิตมันมีสิ่งนี้อยู่ถ้าหากว่า สติกําลังไม่พอเนี่ยไม่ทันพวกนี้นะนี่แหละนี่แหละที่มันไม่ผ่านนิวรนบางที่ก็ไปเจอพยาบาทโกรธคนนั้นคนนี้พยาบาทเขาโกรธเครื่องเขาเนี่ยมันก็กั้นอีกเนี่ยจิตมันก็เพลินไปกับพวกนี้อีกนี่นี่นี่ว่ามันยังไม่ผ่านนิวรนพนดีก็ซึมเนี่คือมันจะสงบมันจะเข้าพวังสมาธิสติแล้วอ่อนไม่มีกําลังตามไม่ทันอีกมันก็ซึมไปหลับไปเ มันก็จะต้องฝึกสติให้ตื่นตัวเอาให้มันมันผ่านไปให้ได้กําลังสติก็มีกําลังพอมีอผ่านไปได้โมเดลฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปสะดุดกลับมาแล้วหมุดอีคาญขึ้นมาอีกเดือดร้อนขึ้นในจิตใจก็ได้นี่แหละอุทจักกุกกิ จ, จนิวรณนบางที่ก็สงสัยขึ้นมานี่เราปฏิบัติไม่ถูกอยู่เปล่านั้นเนี่ย อันนี้มันคืออะไรกังวลขึ้นมากลัวขึ้นมาไม่แน่ใจขึ้นมาเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยอันนี้ก็เป็นเพราะสติเรายังอ่อนยังมีกําลังบางสิ่งบางอย่างจึงต้องมีกาลยานมิตรผู้รู้เพื่อตอบคาถามเราอธิบายให้เราฟังให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องให้มีกําลังใจปฏิบัติไปได้ มีเบื้องต้นอันนี้มันมั น, ม, นมันวิธีการตรงเนี้มันก็แล้วแต่บางคนก็เอาพุโทโธพุโทโธไปก็อย่างที่ว่าผมขนบ้างเล็บฟันหนังเนี่ยมันพอใจแตนน่ถ้นมีพระเขาเล็กๆคนหนึ่งก็จะมาบวชนีรที่วัดดอยธรรมเจีดีแยกกับพุโทโธพุโทโธต่อมาเนี่ยเขาก็เขาบอกอาการสามสิบสองแล้วจิตเขาอยู่ดีเนี่ยเขาไปเห็นในหนังสือส่วนมนุ์เขาท่องเอา แล้วเขาก็เดินของเขาเดินก็เนี่ยเกีซาโลมาอะไรเนี้ยผมคนเล็บฝันหนังเนื้อเกระดูกเขาก็ไล่ของเขาไป ถ, าาาาถ้าทำอย่างนี้แล้วจิตเขาสงบเขาว่ามันอยู่ดีถ้าทําอย่างอื่นมันไม่อยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นจริตของเขานั่งก็เหมือนกันแล้วต้องสามสิบสองด้วยคนเนี้ยเนี่ยบางคนก็เอาอย่างเดียวเลยกระดูกหรือผมบางคนเอาแล้วพอจิตมันอยู่แล้วมันเบื่อตรงนี้แล้วก็เอาอันใหม่ บางคนไม่ถอยเอาอันเดียวตลอดเลยจ่อเข้าไปตลอดมันก็กลมลมอย่างเดียวตามไปพอมันอยู่ไม่สงบแล้วพอสติมีกําลังขึ้นมาทีนี้มันมันเริ่มเนวแน่ขึ้นมาจิตก็ตื่นขึ้นมาด้วยนะจิตที่เคยลงไปอยู่ในพะวังอยู่ในอะไรมันก็ตื่นขึ้นมามันก็มาดูรอบทีนี้อะไรเกิดขึ้นมาดูกายบ้างเวทนามัาง่งจิตบ้างธรรมบ้าง ดูกันไปดูกันมาบางทีก็มีมีสภาวะถามอะไรเกิดขึ้นเองจิตก็ดูไปยังไม่เข้าใจอะไรก็ดูอยู่นั้นเนี่ยเพราะว่าสนใจว่าให้สติต่อเนื่องนักษาจิตให้อยู่กับตัวเรานี่เป็นการเจริญสติสัมปชัญญะแล้วผลที่ได้รับก็คือมีสมาธิจิตอยู่กับตัวเราได้นานขึ้นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้น ระหว่างนั้นจิตก็ เ, เกิดความเบิกบานเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเกิดความสงบภายในจิตใจโปงรุงเบาสบายมีความสุขนี่เป็นธรรมวิสมาธิทั้งนั้นเป็นเรื่องของสมาธิบอกให้รู้ว่าเริ่มเป็นสมาธิแล้วนะต่อมาก็เ อ, อยู่ภายในเนี่ยมันคิดอะไรมันก็รู้เนี่ยจิตไปจ่ออะไรดูแล้วก็รู้มัน มันมีอาการยังไงก็รู้เนี่ยเขาเรียกว่าวิตกวิจารณนะวิตกก็คือจิตมันเข้าไปหาเข้าไปหาอารมณ์เข้าไปดูอารมณ์วิจารณ์ก็คืออาการของจิตบางที่มันก็คิดขึ้นมาแต่ในภายในความคิดนั้นมีความสงบอยู่ตามกันดูอยู่เนี่ยเขาเรียก ว, วิจารณหรือมันแวด ร, ระวังจิตเนี่ยเรียก ว, ว่าวิจารณทั้งนั้นเรียก ว, ว่าให้ให้สตินี่มันมันมัน มันเค้าอารมณ์ไงจ่ออารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ให้จิตเนี่ยเล่นลอดไปทางไหนพวกยังไงนี่เขาเรียก ว, วิจารวิตกวิจารแล้วก็มีปีติเนี่ยเนี่ยมั น, ม, นมันเพราะว่ามันจะต้องมีนี่พอมัเกิดความอิ่มขึ้นมาในจิตใจแล้วก็สุขแล้วก็จิตก็เป็นหนึ่งนี่เอกขาตาโรนี่เขาเรียกปตัตถุมรรคตร แต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดถึงชื่อถึงชาญถึงอะไรเวลาปฏิบัติคือเราเน้นที่ว่ามีสติรักษาใจไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่สนใจว่าเอะเราได้ขั้นนั้นขั้นนี้หรือยังแต่บางทีก็เออรู้ไว้มันก็ดีว่าเออเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อจิตของเราเนี่ยมันมีอย่างนี้บ้างเหมือนกันเนี่ยแต่ทีนี้เราก็พอได้ยินแล้วเราจะไปเปรียบเทียบว่าใช่หรือไม่ใช่ก็เอาอีกแหละ ไม่จําเป็นรู้หรือไม่รู้ก็ตามขอให้มีสติรักษาจิตไว้ให้อยู่กับตัวเราไอ้ชื่อนั่นเป็นปริยัติที่ย่ำมาเทียบเคียงเฉยๆบางทีเราปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกงอกอยากชํนานาญจริงๆอะรู้เอออันนี้ก็ต้องไปศึกษาปริยัติ ด, ด้วยนะนิวิตตกนิวิจารปีติเป็นอย่างนี้สุขมันผ่านมาในจิตมันเหเนนะี่ก็ตาลง ทีนี้บางทีมันไม่ไม่มีอาการที่จิตจะไปตรงนั้นตรงนี้มันคล้ายๆมันมามันมาดูแต่ความอิ่มอยู่ในจิตใจอย่างเงี้ยมีความสุขจิตเป็นหนึ่งอันนี้กเ้าเรียกว่าทุติยชาติเนี่ยทีนี้ปีติมันยังอยากอยู่จิตไม่สนใจและมันมีความสุขภายในลึกๆแล้วก็เป็นหนึ่งอยู่พร้อมกับมีความสุขอยู่ตทติยชาติ ว่าจิตเป็นเวขาเลยเลยสุขก็ไม่เอาแล้วยังอยาววางสุขใจเป็นเมขาแนวในจตุจักรานท่นว่าอัานี้อาศัยรูปแล้วทําให้จิตสงบทได้น เ, นเรียกรูบประชานไม่เอารูปแล้วเพ่งอากาศทําให้จิตว่างเบิงวางอากาศไม่มีประมาณ อ า, ากาศสารัญจายตะนะอากาศมีประมาณว่านีว่าเป็นฌานเป็นเป็นอรูปฌานนะวิญญาณนัญจายตะนะเพ่งวิญญาคือมีตัวรู้อยู่เพ่งอากาศก็ยังหยาบอยู่อะเออมันยังมีตัวรู้อยู่ก็มาดูตัวรู้เสยตัวรู้มีประมาณกว้างขวางเวิ้งว้าง ه, ถ้าตัวรู้ดับไปคงจะดีจะได้หมดเรื่องหมดราวอากินจัญญายาตนะคือเพ่งความไม่มีไม่มีอะไรตามเขาไปอีกเนมันก็ยังมีอยู่นิดนมีเหมือนไม่มีเนวะสัญญาณาสัญ ญ, ญาเยตนะนี่เป็นอรูปฌานรูปฌานอรูปฌานนี้เขาเรียกฌานสมาบัติก็ได้นี่มีมาก่อนที่พพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นมามีมาก่อนแล้วแต่ส่วนใหญ่ไปทางอภิญญาทางสร้างจิตให้มีคุณภาพเกิดญาณทัศนะบางทีก็ไปเล่นซะจนเพลินไปเลยนะไม่เข้ายังไม่เข้าเป็นปัญญายานที่จะคลายออกจากความยึดความติดความค่้องเลยนะบางทีไปอยู่กับพวกนี้มากๆตัวตนยิ่งมากเลยนะไปไม่ได้เลยนะ แต่ถ้าหาว่าใครเอาตรงนี้แหละฝึกสติต่อไปแล้วก็ให้รู้ว่าพวกเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าอะไรที่มันก่อเกิดขึ้นในกายในจิตมันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นอันเนี้เข้าทางทันทีเลยนะนี่ต้องมีพระไตรลักษณ์ลองรับเสมอถ้าสติมีกําลังมีพลังพอนี่นะ มันไม่ยอมไปจมลงไปในในสมาธิแบบนี้เพราะสมาธิแบบนี้มันเสียเวลานอกจากว่าสมัยพระสมัยพุทธเจ้าก็มีที่บรรลุธรรมด้วยการที่อยู่ในฌานเหล่านี้แล้วพี่นาโอฌานไปเลยพีนาสุพี่นาอะไรเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วบรรลุธรรมเลยเรียกวิวสนาพร้อมกับสมถะไปพร้อมกันเลยแต่มีน้อยนี่ ส่วนใหญ่ก็คือต้องนี่แหละทําทสมาธิแล้วก็ต้องมาเห็นความเกิดดับของรูปของนามนี้หรือว่าอบลงจิตให้เกิดความสงบเข้าใจตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยกำลังพอก็ประหารกิเลยได้เหมือนกันถ้าถึงว่าวิปัสสนานําหน้าสมถะหรือสมถะนำหน้าวิปัสสนา บางทีระหว่างนี้ก็มีติดข้องหลงนั่นหลงนี่นท่านจัดเป็นวิธีที่สี่ปฏิบัติไปทั้งหมดทั้งสามวิธออีบางคนก็เอาสมถะน้ำหน้าวิปัสสนาวิปัสสนาน้ำหน้าสมถะสมถะวิ ป, วปัสสน า, าไปพร้อมกันแต่ว่ามันมาหลง ต, หติดนู่นติดนี่แกไปแกมาบางทีก็ได้จังหวะหลุดพ้นไปเลยนี่เป็นวิธีที่สี่ เพราะฉะนั้นเราจึงพูดถึงการเจริญสติเมื่อเจริญสติแล้วมีสัมปชัญญะต่อมามีสมาธิเป็นสมาธิที่ยังไม่ค่อยมีปัญญาหมายว่ามันยังตามอารมณ์ลงไปอยู่แต่เกิดทำให้จิตใจนี่มีความสงบจิตใจนี่มีกำลังออกมาแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะตามดูต่อไปก็จะรู้ว่า กายกับใจลื่นรูปนามขันห้านี้ที่จินแค่เกิดขึ้นดับไปชั่วขณะเป็นขณะขาดไปอย่างความคิดเกิดขึ้นอย่างนี้เราไปหลงยึดความคิดเป็นเราไม่ได้เราคิดไม่ดีปั๊บเนี่ยเราจะไปโทษตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ดีทำไมคิดได้อย่างนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้อันนี้เข้าใจผิดคิดว่าความคิดเป็นเราไปถ้ามันคิดไม่ดีโอธรรมดานะเนี่ยเกิดแล้วก็ดับ มันคิดดีก็ไมนใช่เป็นหลงว่าเราเป็นคนดีก็มันเป็นแค่ความคิดเคยแล้วกระดับแต่ว่าถ้ามันคิดดีเป็นสิ่งควรทาเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นถ้ามันความคิดไม่ดีต้องตัดทิ้งไปนะมันมีแค่นี้ก็ทั้งสองอย่างไม่ใช่เราทั้งนั้นถ้ามันคิดไม่ดีนี่ต้องทิ้งเลยเพราะไม่มีประโยชน์เป็นโทษแต่ถ้าคิดดีเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อคนอื่นเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ บางทีก็คิดได้แต่บางทีคิดแล้วมันเกินไปมันเสียเวลาคิดจบแล้วก็หยุดนี่ตสติก็สำคัญควบคุมให้จิตเนี่ยอยู่ในอำนาจของเราคิดพอสมควรคิดมีคำตอบแล้วหยุดได้มีสมาธิมันช่วยแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเราจึงไม่พูดถึงว่าชาญหรือไม่ใช่ชาญแต่พูดว่า ถ้าสติควบคุมจิตได้แล้วมีกำลังเพียงพอที่จะรู้ว่าปรากฏการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามันเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ให้มีตัวตนของเราเข้าไปสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาในเหตุการณเหล่านั้น ครานี้ตรงเลยทีนี้ตรงทางเลยทีนี้ถ้าใครได้หลักอย่างนี้ปฏิบัติไปเลยสภาวธรรมเกิดขึ้นเองหมดปฏิบัติได้เพราะต่อไปถ้าสติมันมีกําลังและมีสติสัมปชัญญะแล้วจิตตั้งมั่นแล้วมันจะรู้เองเห็นเองหมดที่แตกต่างกันมันจึงมีแค่ว่าอุบายที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิสงบแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมา ให้ท่าน ด, ด, ดูลมดูลมได้พองน้อยยุบน้องก็ได้ดูผมขนเล็บฝันหนังอาการสามสิบสองก็ได้ดูเป็นร่างกายเป็นซากศพเป็นของปฏิกูณนอกเปลือยก็ได้ดูแล้วมันสงบนึกขึ้นมาก็ได้แล้วมันทําให้จิตเราสงบเป็นสมาธิก็ได้เพื่อให้มันตั้งมั่นเพื่อให้มันเห็นความจริงนั่นอีกขั้นหนึ่งนะบางที ขั้นต้นเนี่ยบางคนเขามาตามดูเออเห็นความคิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตมันก็คิดขึ้นมานะโอ้เกิดแล้วก็ดับเนี่ยอันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับโอ้นี่เองนะนี่ความเกิดดับใจก็ว่าสงบลงไปบางคนไ ป, ไปสรุปเอาเลยว่าเป็นมรรคเป็นผลนจริงจริงมันจิตยังไม่มีกำลังพอยังไม่ตั้งมั่นเลยอ่ะมันยังไม่ได้เห็นด้วยญาณเลย มันยังผ่านความคิดอยู่ถ้าเห็นด้วยยานมันไม่ผ่านความคิดจิตเห็นแล้วไม่มีเราอยู่ในนั้นด้วยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของมรรคองมรรคลุ้นล้วนความเป็นเราไม่มีอยู่ในนั้นหรือบางทีจิตเนี่ยถ้าว่ามันมันมันเห็นความเกิดดับเนี่ยแล้วจิตจะมีกำลังมากเพราะอะไรเพราะว่าคือจิตเนี่ยถ้ามันได้สัมผสัสความจริงเนี่ย มันมันเหมือนกับมันมันรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันเบิกบานบางทีกำลังมันก็มามันก็ตั้งอยู่ได้นานเพราะมันเป็นปัญญารองรับเคยเมืกันไปปฏิบัติตอนมีฆราวายมีวันหนึ่งเราก็ปฏิบัติไปอย่างนี้แหละที่เรกพยายามมีสติสงบลงไปบางทีมันสงบเสียงอะไรเกิดขึ้นมันไม่รับรู้เลยนะ ที่สังเกตได้ก็บพรว่าไอเรานั่งอยู่ริมทางรถไฟอ่ะทําสมาธิเนี่ยเสียงรถไฟอยู่ในใกลไม่ได้ยินนะจนมันผ่านไปนะจึงจะจิตตื่นขึ้นมารับรู้โอ้รถไฟผ่านไปคือมันอยู่ในสมาธิมันจมอยู่ในสมาธิแต่จะไปบอกว่าสมถะติดสมถะมันก็ไม่ใช่นะเพราะมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติมันก็เป็นเนะ่ะเพราะว่ามันยังเรายังอยู่ในขั้นนั้นก็ปฏิบัติอย่างเดิมนี่แหละ พยายามต่อไปพอสติมันตื่นขึ้นมามันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ลงไปจมนะยิ่งกำลังมันมากพอนะมันวูบลงไปลึกๆเนี่ยป๊อบกลับคืนมามาดูล่างกายเฉยเลยมาดูกายวิธนาจิตธรรมเฉยแล้วก็ดูเองด้วยนี่แล้วทีนี้มันม็มีอาการนยะเกิดขึ้นมันเหมือนมีอะไรไวไวๆไวๆเห็นแล้วจิตก็ว่าขึ้นมาว่าอนัตตามันไม่ได้คิดนะแต่มันว่า เบาสบายพอขายออกเท่านั้นเลยมองไปทางไหนลุ่งโป่งเหมือนเวิงวางไปหมดเราว่โอ้นี่เองนะเนี่ยปฏิบัติธรรมมันก็คือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตา น, นี่เองนะแต่ยังไม่ไนดน้บรรลุธรรมนะแต่มันเริ่มเห็นมันก็มียังมีอํานาจขนาดนี้กลับไปนี่โอ้ยเหมือนวิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนเลยนะอกิเลสบางอย่างมันไม่เอาลนะ มันก็เหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นใหม่ระดับจากการที่มีปัญญาขนาดนี้นะยังไม่ได้ประหารกิเลสอะไรเลยนะกลับไปทำงานโอ้รู้สึกว่ามีผลดีต่อหน้าที่การงานมากควบคุมตัวเองได้ดีเอาทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมนั่งเมื่อไรก็สงบอยู่คนเดียวก็ปฏิบัติธรรม อยู่กับคนอื่นก็ ท, ทํากิจกรรมอะไรไปบางทีก็ เ, เพลินไปกับเขาแต่ว่ามันก็ยังพอใจที่จะหลบดีปฏิบัติเพราะมันเห็นผลของการปฏิบัติบางทีพอเห็นแล้วพอไปปฏิบัติใหม่อีกไม่รู้หายไปไหนต้องพยายามใหม่อีกคล้ายๆกับเราไปคุกคีกับการกับงานกับคนนั้นคนนี้พอได้เวลาแล้วเรามาปฏิบัติ กว่าที่มันจะสร้างพลังตรงนี้ขึ้นมากว่าจะไปถึงตรงเดิมนะ่มันเหมือนกันโบโอ้โหบังทีใช้เวลา น, านานนะเดี๋ยวว่าเป็นเดือนนะเป็นปีก็มีนะปีสองปีสามปีนู่นแหละแล้ว แ, ลแต่จังหวะของมันเนี่ยแต่ว่าเราไม่ถอยเพราะฉะนั้นบางทีการปฏิบัติทันทีว่าสมถตาการวิปัสสนานก็คืออันเดียวกันนั่แหละบางทีก็พูด ว่าศีลสมาธิปัญญาเพศรศีลก็คือจิตที่เป็นปกติละเจตนาที่จะทำทุจริตทางกายวาจาสมาธิหรือใจอิตั้งมัดหมายถึงสมาสมาธิปัญญาก็คือรู้ความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมไม่ใช่ของเราห่วงเป็นธรรมชาติบางทีท่านก็พูดถึง พูดถึงรุมรวมโพธิประเคียถามสามสิบเจ็ดประการก็คือเริ่มตั้งแต่สติไปเรื่อยพูดถึงความเพียรพูดถึงคุณสมบัติของจิตที่จิตมีกำลังแล้วก็คืออันเดียวกันนะั่นจนถึงอริยมยนะรรคในองแตกปารเทตได้บางที่ก็พูดแค่สติปัญญาว่าสตินี้ไปกั้นไว้ปัญญาเนี่ยถอดถอนหรือประหานะทางสายกลาง เราจิตตึงกลางๆไม่ไปยินดียินร้ายมันจะไปทางที่ยินดีพอใจก็เนี่ยจะไปอีกแล้วนะออกนอกทางแล้วมันอยากให้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาอแล้วจะไปบังคับนี่มันก็ไม่เป็นกลางลงยินร้ายยินดียินร้ายก็คือประคองจิตไปเรื่อยๆนะบางทีก็เป็นภาษา นี้วแต่คําพูดก็คือเจริญสตินั่นแหละใช้ว่าเอาประคองจิตไปเรื่อยๆเนี่ยจนจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิจิตตั้งมั่ น, นก็คือความเพียร น, นั่นแหละเพียรปฏิบัติเพียรประคองจิตเพียรรักษาจิตเพียรเจริญสติเพียรมีสติสติก็เข้าไปวควบคุมจิตกรรมกับจิตละแวดระวังจิตจนสติมันสมบูรณ์ขึ้นมา สติสมบูรณ์นี่คือยังไงอะอะไรเกิดขึ้นมันรู้รู้รู้รู้รู้เองเลยปั๊บปับ ป, บ, ป บ, บางทีมันยังเหมือนเครื่องจักงนะเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนะ่ะปั๊บปั๊บ๊ บ, บจิตไปไหนไม่ได้มีปัญหาความปรุงสัตวเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสมาธินะ่ะที่พูดนี้เป็นอาการของจิบหมดเลยนะเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต้องเห็นเองถ้ายังไม่เห็นแสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึง ผลยังไม่เกิดขึ้นมีส่วนที่ผลเกิดขึ้นเราก็เทียบได้หมออังมันเกิดขึ้นแล้วก็มียังไม่เกิดขึ้นก็มีเนี่ยส่วนผูป้ปฏิบัติชำนาญแล้วเนี่ยปฏิบัติจนกระทั่งจิตเข้าไปเห็นภายในรูปนามกายใจนี้แหละเห็นตามดูความเกิดความดับตามดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนลึกซึ้งเข้าไปในจิตเนี่ยกลายเป็นว่า เป็นญาณึ้นในจิตความเกิดดับอยู่ในจิตเลยเห็นแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่มีภาษาอยู่ในนั้นนะมันเหมือนจิตเข้าไปสู่จุดจุดหนึ่งเห็นแต่ความเกิดเอาความเปลี่ยนแปลงไม่มีเราไม่มีของเราอยู่ในนั้นเสร็จอริยมรรสมูบุ์ปะหานกิเลสทันทีเลยมีผู้ปฏิบัติธรที่ปะหานกิเลสได้กยเป็นปะโสดาบันท้งที่หนึ่ง ฝันจีเยได้ปฏิบัติต่อไปอีกคือไม่รู้ยังไงนะพอพอมันขึ้นสู่มรรคยานพลรยานเนี่ยมือนกับจิตเนี่ยมันสว่างสวยมันอีกเอิาหมือนมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่พอมันกำลังมันคายไปแล้วไอยานที่เคยรู้เคยเห็นไม่รู้อีกแล้วดูซิวิธีของอุตตจาร์แปลกจริงๆต้องมาปฏิบัติต่อไปอีกครู้นะเยอะมา สมบุรอีกครั้งหนึง่งยานเกิดขึ้นอีกประหารกิเลสได้อีกเป็นพระ ส, สกิทาคามีมาเกิดในโลกนี้อีกครั้งเดียวอาจจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ได้พอพอเห็นอย่างนี้แล้วเราก็คาดหวังว่าเอมันจะตลอดไปก็ไม่ใช่นะมาปฏิบัติอีกแต่ว่าจิตจะไม่ตกต่ำไปกว่านั้นละกิเลสที่ประหารได้เนี่ยจะไม่กลับคืนมา เบาสบายแล้สังโยดได้สามอย่างรูว่าโทสะโมหะเบาบางสบายขึ้นเหมือนคนเดินทางมาถึงครึ่งทางปฏิบัติต่อไปอีกประหารกิเลนได้ครั้งที่สามเป็นาคาเมยปฏิบัตาาบิต่อไปรอีกที่นี้หมดจดเลยไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่ในจิตจะต้องรู้ต้องรู้ ไม่รู้ไม่ได้ถ้าหมดกิเลสแล้วมัน ม, มีอะไรปรุงแต่งคือชาติมันหมดแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่ในจิตแ่ะที่ปฏิบัติมาก็จบแค่เนี้ยไม่มีอะไรต้องทําต่อไปงานก็จบจะทําทอะไรอีกก็ไม่รู้จะทําทอะไรนอกจากว่าเออดำเนินชีวิตไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องกับสมมุติไปมีปัญหาก็คิดแก้ปัญหาไปแต่ไม่ยึดไม่ติดใน่้อง มีทางของพระเจ้าอย่างนี้ก็คือพ้นทุกไปเลยหลุดพ้นไปมาพูดให้ฟังแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่เรื่องเจริญสติเพื่อให้สติมีกำลังเป็นสมาธิเจริญสติสัมปชัญญะ จ, จนจิตตั้งมั่นมีปัญญายาณเกิดขึ้นรู้ความจริงสูงสุดผ่านกิเลสได้เป็นขั้นเป็นตอนบรรู้อริยมรรคผล เป็นพระริยเจ้าคือผู้ห่างไกลาจากกิเลสเจนกระทั่งหมดสินอาสวะกิเลสหลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงนี่คือทางดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งวันนี้เราได้มาได้ยินไนฝฟังแล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็ต้องใส่ใจน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติ ให้มันเกิดเป็นผลดีขึ้นกับจิตใจของเรานั่นก็คือความทุกข์จะต้องน้อยลงไปความสุขความสงบจะต้องมากขึ้นในจิตใจเราเรื่อยๆไปจึงสมกับที่เราเนี่ยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติธปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งมีพระไทยที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงตัดสรุได้โดยสัมมาสาัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองอให้เราปฏิบัติต่อไปนะคนอาจจะสงสัยว่าเวทนานี่ทำยังไงเวทนาทางกายถ้าวัต้องการที่จะให้จิตมีกำลังก็อดทนใหสติมันก็จะดูดูเวทนานี่สติก็มี มีสติตรงไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มกําลังสติสมาธิสัมปชัญญะก็อยู่ตรงนั้นด้วยคือมันจะรู้ตัวกว้างขึ้นรู้ว่าจิตของเราอยู่กับเวทนามันรู้คือดูแล้วก็รู้เพิ่มขึ้นรู้ว่าเวทนาบีบคั้นยังไงเนี่ยมันจะเพิ่มกําลังของสติสัมปชัญญะแต่ต้องใช้ความโอดทนขันติก็เกิดขึ้นกับจิตเราด้วย มันเป็นคุณสมบัติของจิตแต่ถ้าว่าจิตมันเมืันรับไม่ไหวมันยังไม่พร้อมเพราะสติเรายังอ่อนมันจะรู้สึกว่าฟู้งซ่านเอาไม่อยู่ทนไม่ไหวเราก็เปลนอียบอได้แต่ถ้ากำลังเราขอเออมีมันดีทําให้จิตเราตื่นตัวเราได้ต่อสู้ทําให้จิตมีพลังแล้วขณะเดียวกันมันก็รู้ว่าเจ็บปวดอยู่ที่ร่างกาย มันไม่ใช่เราเพราะเราเป็นผู้ดูอยู่จิตเป็นผู้ดูอยู่ไอเวทนาเขาอยู่ที่ร่างกายก็เป็นคนละส่วนกับจิตเป็นคนละส่วนกับเราถัดละเวทนาได้เข้าใจเวทนาก็เข้าใจกายเลยบางทีมันก็มาดูจิตนี่มันคือมันวางเวทนาได้มันก็มาอาหาจิตจิตก็สบายคือมันปล่อยได้มันวางได้มันยอมรับมัวเวทนาอยู่ที่ร่างกายเวทนาไม่ใช่จิต บางทีก็อบรมช่วยถ้าจิตมีกำลังอบรมได้ไปยุ่งกับเขาทำไมเห้เขาสัจธ ว, ว่าเวทนาไม่ใช่เหรออยู่ที่ร่างกายเวทนาขันจิตก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้มีหน้นาที่รู้สัต่ ว, ว่ารู้นี่คือขึ้นอยู่กับว่าเราทำยังไงจิตของเราเนี่ยมันถึงจะสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยที่จิตของเราเนี่ย ยังสงบอยู่ยังตั้งมั่นอยู่แต่ความเจ็บปวดบีบคั้นเนี่ยกับการที่จิตของเราเนี่ยมันทนได้เนี่ยมันคนละส่วนนะให้บีบคั้นมันเป็นเรื่องของเวทนาเจ็บปวดเปเรื่องของเวทนาแต่การที่จิตของเราเนี่ยมันมั่นคงมันมีกำลังไอตัวนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าอยากให้มันหายไม่อยากให้มันเจ็บมันปวดนี่ตัวนี้เป็นอัตตากิลมัตานุโยกไม่ใช่ตัวเวทนานะ ตัวที่จิตเราอยากบังคับอยากให้มันสบายอย่างเงี้ยี่เนี้ยเป็นยินดียินร้ายเกิดขึ้นยินดีก็เป็นกรรมสุขันลลริการุโยกถ้ายินร้ายก็เป็นอัตตะกิลมธานุโยกนะมันไม่ปิดกลางต้องปรับจิตให้เป็นกลางๆไว้นี่ยทางสายกลางทางจิตบางทีจิตก็มาอยู่โดยลำพังนะเป็นตัวของตัวเองไม่จัดสายไปไหนนี่มันตั้งมั่นอ่า อาศัยเวทนามันก็ทําให้จิตต้องมันได้ดูอะไรที่จิตมันสามารถอยู่ตามลําพังได้คราวนี้มึงจะเห็นเองนะโอ้เวทนามนไม่ใช่จิตไม่ใช่เราเห็นด้วยจิตไม่ต้องคิดเลยพางทีเวทนามันก็เบาบ้างหนักบ้างไอย้ยางนี้ความเปลี่ยนแปลงหยาบหยาบนะแต่ถ้ามันเข้าไปเปลี่ยนแปลงในจิตเกิดดับในจิตนี่เรียว่ามันเป็นปัญญาญาณ ไม่ผ่านกระบวนการความคิดความนึกความปรุงความแต่งใดๆทั้งสิน้นจิตเห็นจิตรู้เรากล่าวการสิ้นอาสวะแกผู้ที่รู้และเห็นเท่านั้นนี่พเจ้าไว้อย่างนี้เราจะไม่กล่าวการสิ้นอาสวะกับผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นเห็นมี่เห็นด้วยญาติโดยปัญญาญาติทุอย่างอื่นก็จะเหมือนกัน ขณะดูจิตมันไม่คิดก็รู้มันก็เกิดดับไปนีเกิดดับขางหางก็เป็นสัมปชัญญะตามดูอยู่สติสัมปชัญญะเรียกเรียกสติปัญสี่ก็ได้กายเวทนาจิตธรรมยิ่ว่าสติสัมปชัญญะก็ได้ตามดูอารมณ์ไปอะไรเกิดขึ้นมามันเด่นชัดก็ดูไปมันเปลี่ยนไปก็ดูต่อไปมันว่างรู้มันว่างมันเฉยรู้มันเฉย มันนิ่งดูมดิ่ ง, ง, งก็คือเป็นอาการของจิตอ่ะเจ็บมันปวดรูมเจ็บมันปวดสบายไม่สบายทางจิตก็รู้อาการตรงจิตเกิดขึ้นยังไงก็รู้เนี่ยมันจะเข้ามาที่นี่เป็น ส, สนติสัมปชัญญะเตรียมตัวนะดูตัวเองให้เป็นโอกาสสุดท้ายนะทบทวนเลยตอนตอน้นวันนี้เป็นยังไงต่อมาเป็นยังไงแล้วขณะนี้เป็นยังไงเบื้องต้นท่ามกลางสุดท้าย แล้วก็ให้รู้ว่าอันนี้เป็นผลของการปฏิบัติของเราในวันนี้แต่ไม่ใช่ไปยินดียินลา่นะไม่ใช่ไปคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปให้รู้ว่าเนี่ยวันนี้เราปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้เราก็พอใจเป็นผลของการปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวันหลังเป็นยังไงแล้วแต่สภาวะ ร, รมแต่อันไหนที่มันรู้สึกว่า มันทำให้จิตของเราเนี่ยมันปฏิบัติได้สบายได้สะดวกเราย้ำก็ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเราเคยไม่เข้าใจตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ตองอย่างนี้นะวางจิตอย่างนี้นะมันความจริงเป็นอย่างนี้นะความเขอา่าย้ำให้มันจดจาเข้าไปในจิตของเราเวลาปฏิบัติต่อไปมันก็ง่ายขึ้นจากนั้นเราอยากสอนตัวเองก็สอนได้เวลาจิตมันสงบนี่นะ คือมันมีอะไรเนาะที่เราต้องแก้ไขต้องอาศัยจิตที่มีกําลังนะที่มีสมาธิมันกระตุ้นเตือนสัมปชัญญะของเราแล้วมันมีพลังมากกว่าธรรมดาบางทีคิดธรรมดามั น, ม, น, ม, นมันลาไม่ได้แต่ถ้าในสมาธิมันลาได้ออกไปแล้วมันไม่ทําก็มีเนี่ยเราก็เอาประโยชน์จากสมาธินี้หรือบางนี้ก็เตือนตัวเองว่านี่าออกไปแล้วเราจะ พยายามสมนวระว่างมากขึ้นถือเป็นการปฏิวัติธรรมมีสติทุกริยาบทหรือว่าเอาหลักของวเจ้ามาเออมีอะไรเนาะที่มันลุงลังอยู่ในจิตเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขเราไม่ได้แก้ไขสักทีนึ่งมันทำให้เกิดความอ่อนแออยู่ในจิตแก่มันละมันประหารมันออกไปทำให้จิตมีกำลังมากขึ้น